ว่ากันตั้งใจทำใจให้เป็นสมาธิทำน้อมใจลงสู่ความสงบให้เป็นหนึ่งในเบื้องต้นนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่าไปมุง่งต้องการรู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้ก่อน ให้รู้เฉพาะจิตนั้นโดยตรงกับลมหายใจเข้าออกธรรมดาใจนี้เมื่อมันยังสงบลงเป็นหนึ่งไม่ได้เช่นนี้เนี่ยมันจะรู้ธรรมของจริงไม่ได้เพราะธรรมของจริงนั้นมันจริงอยู่ในตัวแล้ว แต่จิตไม่จริงอ่ะจิตวอกแวกเพราะฉะนั้นจิตนี่มันจึงไม่ยอมรับความจริงซึ่งมีอยู่เป็นธรรมดาอยู่แล้วนั่นแหละข้อสำคัญมันอยู่ตรงนี้เองนะถ้าจัดถ้าจิตนี่มันนิ่งอยู่ในปัจจุบันแล้วอย่างนี้นะ มันก็ยอมรับรู้ความจริงของร่างกายทุกส่วนไปเลยแหละความจริงของร่างกายเป็นอย่างไรจิตก็ยอมรับรู้มันไม่เที่ยงก็ยอมรับรู้ว่ามันไม่เที่ยงจริงมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลาบากก็ยอมรับรู้ ว่ามันเป็นทุกข์ทนได้ยากจริงมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของตนบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังก็ย่อมรับรู้ว่ามันเป็นความจริงอย่างนั้นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะร่างกายอันนี้สภาพของมัน มันก็เป็นอย่างนั้นจริงนะืมถ้ามันบังคับได้มันเป็นตัวตนของตนจริงใครก็ไม่อยากตายแหละก็จะต้องบังคับชีวิตอันนี้ให้อยู่ยั่งยืนนานตลอดไปมันก็อยู่ไปได้ถ้ามันเป็นของตัวตนจริงจัง ม, มันบังคับได้จริงนะ นี่แหละความจริงของร่างกายมันก็เป็นเช่นนั้นแหละแต่คนส่วนใหญ่นั่นไม่ค่อยรับรู้คือจิตมันไม่สงบเหตุนั้นมันจึงไม่ยอมรับรู้ความจริงเหล่านี้มีแต่จิตพุ่งส่้นเลื่อนลอยไปตามกระแสของโลก ไม่ยอมมาเพ่งพินิษ์ดูร่างกายสังขารอันที่ดวงจิตอาศัยอยู่เนี่ยดังนั้นน่ะมันถึงปรงจึงวางลงไม่ได้เพราะมันไม่ยอมรับรู้ความจริงอย่างที่ว่านั่นแหละถ้าจิตของผู้ใดฝึกให้มันสงบปรงเป็นหนึ่งแล้วเช่นนี้ มันยอมรับรู้มดความจริงของร่างกายอันนี้ก็มันไม่เที่ยงมันก็แปรปวนให้จิตรู้อยู่ตลอดไปเมื่อจิตสงบแล้วมันก็รู้ก็เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายนี้ชัดเจนเลยมันเป็นอย่างไรมันก็รับรู้มันทนได้ยากลำบาก อย่างไรเดี๋ยวก็เจ็บน่นเดี๋ยวก็ปวดนี้เดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เป็นหวัดเป็นไอมันก็มันก็เป็นอยู่เนี่ยเดียวกลักษณะของความทุกข์ของร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นจิต ที่สงบอยู่แล้วย่อมรับรู้มันเป็นอย่างนี้เมื่อรู้แล้วว่าร่างกายอันนี้มันทนได้ยากทนลำบากแล้วก็กำหนดรู้ว่ากอกเเื่องของร่างกายต่างหากไม่ใช่เรื่องของจิตอันจิตนี่นั่นมันไม่มีรูปร่างอะไรเป็นแต่ความรู้สึกเท่านั้น เมื่อจิตนี้รู้แจ้งในร่างกายตามเป็นจริงแล้วก็ไม่หวนไหวไปตามร่างกายนั้นหน้าที่ของจิตมีอย่างนี้ไม่หวนไหวร่างกายหวนไหวไปแต่จิตจะไม่หวนไหวตามไม่เสียใจไม่เศร้าโศกไม่ทุกร้อนกับร่างกาย อย่างนี้แหละมันถึงจะพ้นทุก์ไปได้ถ้าร่างกายแปรปวนทุกทนได้ยากใจก็แปรปวนทนทุกได้ยากลาบากไปเหมือนกับร่างกายจิตก็ได้ชื่อว่าหอบเอาทุกขไว้ไม่ยอมปรงทุกวางทุกเช่นนี้มันก็ละโลกนี้ไปสู่โลกหน้ามันก็หอบเอาทุกไปด้วย ดังนั้นน่ะเราจะเห็นได้ชัดในคนที่เกิดมาในโลกนี่แหละอันมันแสดงความเสียใจเศร้าโศกอะไรต่ออะไรอยู่เหมือนนั้นนะ่ะมันร้วดแต่มันหอบเอาความทุกข์ใจมาแต่ชาติก่อนนน้นมันเป็นอิสัยปัจจยติดตามมาอย่างนี้ เมื่อมาชาตินี้แล้วก็ยังไม่ฝึกตนให้ตั้งมั่นให้รู้แจ้งตามเป็นจริงในร่างกายสังขารอันนี้เดี๋ยวต่อไปก็จะหอบเอาทุก์ติดตามไปในชาติหน้าต่อไปเองก็ถ่ายทอดกันไปอยู่เนี่ยความทุกข์ของใจเพราะใจไม่รู้แจ้งใจไม่ยอมโปรงยอมวาง ให้พาการพิจารณาดูให้มันรู้ให้มันเข้าใจดังที่ชี้แจงมาเนี่ยมันเป็นความจริงเนี่ยนั่นเองทีนี้เมื่อท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านรู้ความจริงของร่างกายส่วนที่เป็นรูปก็ดีส่วนที่เป็นนามธรรมาก็ดีถ้าก็ปรงวางลงตามสภาพ มีมีความรู้เท่าอยู่อย่างนั้นตลอดเวลามันเคลื่อนไหวยังไงมันเป็นยังไงไปกดรู้ตามความเป็นจริงไปอย่างนั้นเมื่อรู้ความจริงของมันอยู่ยนั้นมันไม่ใช่ของเราแล้วจิตมันก็ไม่หวนไหวไปตามผู้รู้ทั้งหลายท่านทำใจอย่างนี้ท่านจึงไม่เป็นทุกข์หรือร้อน แล้วก็ถ้าหากว่ายังมีชีวิตเป็นอยู่ก็ไม่ใช้กายวาจานี้ไปทาบาปก็เพราะว่ามันเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วจะใช้ไปทำบาปทำไมก็เมื่อใช้มันทาบาปแล้วผู้เสยผลของบาปนั้นก็คือจิตตวงนี้อย่างนี้นะ องพิจารณาดูให้ดีเมื่อจิดตดวงนี้เป็นผู้เสวยทุกข์อันเกิดจากการกระทำของกายและวาจาอย่างนี้แสดงว่าจิตนั้นไม่ฉล า, าดจิตยังไม่ฉล า, าดไม่ยังไม่รู้ว่าที่ตนเจตนาใช้กายวาจาทำชั่วพูดชั่วอย่างนั้นนะผลมันจะย้อนกลับมาหาตัวเอง มันไม่รู้มันไม่เตือนตนอย่างนี้ดังนั้นมันจึงทำไปเลยทำบาปอะ่ะแล้ววันเวลาผลมันย้อนเข้ามาหาดวงจิตอ้าวจิตนี่ก็เป็นทุกข์ยิ่งกวกัมาอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้แล้วก็ได้บาปกรรมมันนำไปให้ เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตรีชานไปก็ไปได้อาศัยร่างอันบาปกรรมตกแต่งก็เป็นรูปร่างอันหน้าเกลียดหน้ากลัวรูปร่างอันหยาบคล้ายไม่เป็นที่สบายใจเลยนั่นบาปตกแต่งอ่ะมันทําให้ไม่สบายใจอย่างนี้เหมือนอย่างคน ทำผิดกฎหมายล้วก็ฟ้องลองศาลตัดสินติดคุกติดตารางก็ได้ไปอยู่ในที่จำกัดแหะนอนก็ไม่ได้นอนดีนั่งก็ไม่ได้นั่งดีแล้วเขาใช้ทำการทำงานอยู่นั้นแหละถ้าทำไม่ดี <c oughs> ก็ไปเขาบทุบเอาตีเอาอย่างนี้ ต น, ตนเองไม่มีอิสระอะไรเลยไปฟ้องร้องกับใครก็ไม่ได้เพราะตนเป็นนักโทษไอ้ผู้ทำบาททำกรรมใส่ตัวเองแล้วบาปกรรมมันก็บังคับให้อยู่ในที่จำกัดก็อย่างคนคุกคนตารางนั่นแหละอย่างที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าสัตว์ที่ไปตกนรกนะ่ะเหมือนกับ เข้าสารยัดไทยข้าสารยัดไทยทำเป็นปยังไงอ่ะเน่ยมันก็นยัดเยียดกันอยู่แหละสตาร์ทร ก, ก็เป็นเช่นนั้นถามว่านะเมื่อไปตกนรกแล้วก็ไปยัดเยียดกันอยู่แอบอัดกันอยู่ในนรกนะั่นแ่ะมันมากต่อมากเพราะว่าทั่วโลกนี่นะทำบาปทุกวันทุกวัน้นองคิดเฉลี่ยดูดงดูฆ่าสัตว์รักทรัพย์ ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาว่าดื่มสุ ร, ราเมลัยอย่างนี้ทุกวันเลยนะจะไม่ทุกวันยังไงเล่าฆ่าสัตว์ขายสำเรลจเนื้อขายคนซื้อไปกินบุญนันพวกที่ลักฆ่าโดยผิดกฎหมายก็มีแล้วฆ่าโดยถูกกฎหมายเช่นชาวประมง มูเนี่ยแล้วชาวประมงแล้วกับพวกผานล่าเนื้อในป่ามูเนี่ยมันมีอยู่นั่นเรีย ว, ว่ามนุษย์ทำบาปอยู่ตลอดยีบสี่ชั่วโมงก็แล้วกันเลยถ้าคิดถัว่วทั่วโลกนี้แล้วนะวันนี้พวกทำบาปแล้วนะหมดอายุก็ตายทุกนาทีไปเลยนี่ไม่ใช่ว่าตายชั่วโมงนะ ตายทุกนาทีทั่วโลกนี่นะคิดถั่วเป็นนาทีเข้าไปแล้วเป็นเวลาเข้าไปแล้วนะนี่เนีแล้วจะมาให้มันไปแออัดอยู่ในรกยังไงแล้วมันมากต่อมากหลายต่อล่นให้ พ, พากันพิจารณาดูให้เกิดความสังเวชสรลดใจ ถ้าถ้ามันไม่เกิดความสังเวชสะระใจมันไม่เบือ่อไม่นายต่อบาปกรรมเหล่านั้นหรอกมันไม่ละเลืองมานแนะ่แต่บางคนก็อาจจะไม่เชื่อก็ได้แหละหาเอาปั้นเรื่องเอาหรอกเพื่อให้คนไม่ทําความชั่วในปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละไปโลกหน้าแล้วมันไม่มีหรอกอย่างที่ว่าบางคนก็อาจจะพูดไปอย่างนั้นแหละ ผู้พูดเช่นนั้นก็แสดงว่าไม่เคารพในพระพุทธเจ้าไม่เคารพในพระธรรมคำสอนของพระองค์ไม่เคารพในพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่นำเอาคาสั่งสอนของ พ, พุทธเจ้ามาถ่ายทอดให้พุทธศาสนกชนทั้งหลายผู <c oughs> ้เชนนั้นเนี่ยไม่เคารพไม่นับถือเพราะฉะนั้น จึงไม่เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ก็กรรมชั่วบุคคลกระทำลงไปแต่ในชาติหนหลังนั่นนะมันติดสอยห้อยตามมาให้ผลในชาตินี้ดังที่เราก็เห็นกันอยู่คนเกิดมาในโลกนี้นะไอ้พวกเสวยวิบากรรมโรคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรงเบียดเบียน รักษาอย่างไงก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นแหละไอ้อย่างนี้นะจะว่ายังไงเรานั่นแหละหมอก็ยังช่วยไม่ได้นี่อนุภาพแห่งบาปกรรมมันเป็นอย่างนั้นเลยเราก็เห็นได้ชัดๆนี่ก็มันเป็นผลของกรรมชั่วที่ เขาทเอามาแต่ชาติก่อนนู่นนะไม่ใช่ว่ามันผลกรรมชั่วที่เขาทาในปัจจุบันนี้นะไม่ใช่ผลแห่งกรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันนี้มันเพียงแต่ทำให้ผลทาง จ, จิตใจเดือดร้อนวุ่นวายแต่กรรมชั่วบางอย่างก็ให้ผลในปัจจุบันเช่นจะไปติดคุกติดตารางอย่างนี้ ก็ยังนำว่ามีความทุกข์น้อยกว่าไปตกนรกอีกไอพระพุทธเจ้าพรฒนาถึงความทุกข์ในนรกนั้นมาเทียบกันไม่ได้หรอกกับคนคุกคนตารางนี่นะคนทุกข์คนตารางน้ำร้อนยังไม่ลวกไฟก็ไม่เผานี้เพียงแต่ทางการเขาบังคับให้ไปทำงานเท่านั้นเองเนี่ยแล้วก็ ที่อยู่ที่อาศัยก็จํากัดอย่างที่ว่านั่นเนี่เท่านั้นส่วนสัตว์นรกแล้วมันมีน้าร้อนลวกไฟเผาอยู่ตลอดเวลาอันเมื่อตะเกียกตะกายขึ้นจากนรกมานายนิยาบาลไปจับซัดลงไปนรกนั้นออย่างนี้นะเมื่อไฟเผาน้าร้อนลวกตายลงไปแล้วพอเกิดขึ้นมาใหม่เพราะกรรมยังไม่สิ้น ตายเกิดตายเกิดอยู่ในนรกนั่นแหละสัตว์นรกนะนี่พูดตามตำราหลวงพ่เอเเจ้าทรงสแสดงว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ช่างผู้ใดเชื่อก็นะว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของผู้นั้นผู้นั้นจะได้กลัวต่อภัยในนรกแล้วก็จะได้เว้นจากบาปกรรมขั่วมีปานาติบาตเป็นต้น นั่นแหละเดี๋ยวผู้นั้นเมื่อเว้นกรรมชั่วได้แล้วก็จะมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปเมื่อหมดอายุสังขารในโลกนี้แล้วทางไปแห่งชีวิตของมนุษย์มันก็มีอยู่สองทางเท่านี้แหละผู้ยังละกิเลสตัณหาไม่หมดนะสุคติหนึ่งทุคติหนึ่งอย่างนี้ดังนั้นถ้าผู้ใด ปฏิเสธทุกขติแล้วมันก็ย่อมปฏิเสธสุขติด้วยกันแหละเพราะถ้ามีอย่างหนึ่งแล้วมันก็มีอย่างหนึ่งนี่เหมือนอย่างในร่างกายของคนเรานี่แหละเมื่อมีสุขแล้วมันก็มีทุกขเป็นคู่ขนานกันมาอยู่อย่างนี้เราคิดดูแม้ในโลกหน้านั่นก็เหมือนกันนะเมื่อ จิตวิญญาณอันนี้ละจากร่างกายนี้ออกไปแล้วมันก็มีกรรมดีกรรมชั่ว น, นั่นแหละกํามกลับไปหาได้ไปหาเที่ยวเกิดหาเกิดเอาตามความประสงค์ได้ไหมอยู่ในกรอบแห่งกรรมดีกรรมชั่วถ้าผูใ้ใดยึดเอากรำชั่วไว้เวลาชวนจะตายอย่างนี้นะกรรมชั่ว น, นั่นแหละมันก็นําดวงจิตไปเกิดในที่ทุกข์ยากลําบาก ผู้ดใดอยากรู้จักว่าบาปเป็นยังไงพาให้ภาวนาให้เพ่งทวนกระแสจิตเข้ามาภายในดูจิตใจที่มันบาปครอบงำมันเท่ามองมันขุนมัวมันเล่าร้อนโมโหโธโสอันใดก็ดุร้ายมากทีเดียวคนใจบาปนั่นแหละอยากรู้จักว่าฤทธิ์ดเดชของบาปมันเป็นยังไงอ่ะ ก็ดูที่คนเรานี่แหละไม่อย่าไปดูอย่างอื่นเลยแล้วแล้วคนใจบุญนี่มันกลงกันข้ามทีแบบนี้นะอ่เราก็ลองเทียบกันดูคนใจบุญเนี่ยเป็นคนใจดีเป็นคนอดทนต่อคำด่าว่าเสียสีไม่ถือสาหาความกับใคร นี่เพราะว่าคนคนใจบุญนี่เป็นผู้ละความโลภความโกรธความหลงอันนั้นให้เบาบางไปแล้วเห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นแล้วฉะนั้นใครจะมายั่วยุนชวนให้สะสมกิเลสอันนั้นขึ้นมาอีกไม่เอาแล้วนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าคนบุญนี่น่ะไม่ทะลาะวิวากับใครไม่เบียดเบียนใคร แม้ใครจะมาเบียดเบียนตนก็ไม่ตอบโต้เอา้าลองสังเกตดูใจของใครของเราดูสิว่าเรามันใจบุญจริงหรือไม่ใจบุญมีไหมนี่หรือว่าใจบาปนั่นทุกคนต้องตรวจ ด, ดูจิตใจตัวเองมันก็รู้ได้แหละถ้าเราตรวจเพ่งพินิจดูนะรู้ได้ เพราะว่าใจมันก็อยู่ที่กายนี่อาศัยอยู่ในนี่ถ้าใจเป็นบาปมันก็มัวมองไปมันก็เป็นคนชอบโกรธชอบอิจฉาที่ยาผู้อื่นชอบเพ่งโทษคนอื่นแต่โทษของตนเท่าภูเขาเี่มองไม่เห็นเลยแต่เ้าโทษคนอื่นเท่าเส้นผมนี่ก็มองเห็น ไอ้อย่างนี้นะผู้นับถือพระพุทธศาสนาผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายทั้งนักบวชทั้งครือขัดอย่าให้เป็นเลยอย่าให้มีอย่าอย่าฝึกนิสัยใจอของตัวให้เป็นไปอย่างนั้นมันจะทําชั่วต่อไปนะ่ะนิสัยแบบนั้นนะ่ะเดี๋ยวมันจะบันดาลให้ทําชั่วแล้ว ให้ฆ่าสัตว์ให้รักทรัพย์ให้ประพฤติผิดในกรรมให้กล่าวมุสาวาทให้ดื่มทุราเมลัยไปทั่วละถ้าฝึกนิสัยใจคอให้เป็นคนใจดำอมหิตอย่างว่านั่นนะอย่างนั้นต้องฝึกใจของทนให้เป็นคนใจประกอบพระเมตตาการุณารู้จักให้อภัยแก่ผู้อื่น ธรรมดาคนที่มีเมตตากรุณานะ่ะไม่เพ่งโทษใครคนอื่นด้วยความไม่พอใจไม่เพ่งเลยเห็นว่าเมื่อเขาไม่ดีแล้วก็ น, นึกว่ากรรมของเขาเขาก็ทำเองเราจะไปยื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องทำไมต่างคนต่างต้องแก้ปัญหาแห่งชีวิตของตัวเองเอา นี่ธรรมดาคนบุญคนมีปัญญามันก็ต้องสอนตนอย่างนี้เล่นเสียแต่ผู้ที่มีหน้าที่ปกครองมูคณะไอ้อย่างนี้มันก็ต้องใช้ทั้งพระเดชใช้ทั้งพระคุณไม่เช่นนั้นแล้วก็ปกครองกันให้สมานสามัคคีกันไปไม่ได้ถ้าจะไปใช่แต่พระคุณ แต่คำอ่อนโยนความปลอบอกปลอบใจอย่างเดียวอย่างนี้ไม่ได้คนที่มีกิเลสหยาบนี่มันไม่ยอมมันมันไม่นับถื อ, อไอ้คำพูดที่อ่อนโยนอ่อนน้อมปลอบโยนต่างๆมันนั้นค ล, ล้ายๆกับ่ายุให้มันดุร้ายขึ้นไปอีกคำเป็นไรนั่นแหละดังนั้นทาง บ้านเมืองเขาปกครองกันเนะ่ะเขาจึงตรากฎหมายไว้แล้วแล้วตราโทษไว้พร้อมเลยผู้ใดทาผิดกฎหมายข้อนั้นมีโทษปรับเท่านั้นเทน่านี้มีโทษจำคุกเท่านั้นปีเท่านั้นเดือนเขากล้าไว้อย่างนั้นถ้าใครทำผิดกฎหมายนั้นเจ้าหน้าที่จับได้ก็ฟ้องร้องกันไป ้วยภากษากวินิชัยความผิดของพูนั้นมันมากน้อยเพียงใดก็ตัดสินไปตามนั้นอาศัยสักขีพยานยืนยันส่วนในทางธรรมในทางพุทธศาสนานี่มีแต่บัญญัติห้ามไม่ให้ทาชั่วเท่านั้นแล้วก็บัญญัติผลแห่งกรรมชั่วเหล่านั้นว่าตายแล้วไปตกนรก แล่าถ้าหากว่าแสดงโทษในปัจจุบันอย่างนี้นี่ก็เส้นแสดงว่าบุคคลนั่นจะต้องไม่ขาดความเคารพนับถือจากผู้อื่นจากคนดีทั้งหลายคนดีทั้งหลายจากไม่คบหาสมาคมผู้ที่ทำตัวเป็นคนดุร้ายใจดำชอบ เบียนผู้อื่นหรือยกโทษผู้อื่นอย่างที่ว่านั่นน่ะคนดีทั้งหลายก็รังเกียจไม่ศาถนาจะสมาคมด้วยนี่ในทางศาสนานั้นเพื่อนลงโทษกันโดยทางอ้อมอย่างนี้อืมันเป็นไปเองมันอันนี้น่ะเป็นเช่นนั้นผู้ใดที่เป็นเช่นว่านี่แล้วเป็นไม่ยอมละความชั่วเหล่านั้นแล้ว จะไปสมาคมกับคนดีไม่ได้วันนี้มันก็ต้องหมุนไปสมาคมกับคนชั่วเพราคนในโลกมีสองกลุ่มพวกอผู้ใดนิสัยชั่วเหมือนกันมันก็ไปรวมหัวกันได้เช่นพวกโจรห้าร้อยที่ท่านกล่าวไว้ในตำราสมัยทุกวันนี้มันไม่ถึงกับห้าร้อยหรอกมันมันรวมเป็นกลุ่มกันกลุ่มละห้ากลุ่มละสิบไปอย่างนั้นแหละ ไปเที่ยวขี้เที่ยวปล้นเข้ามาเลี้ยงเทียบไอ้พวกใจดำอมิหิตมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมาน่ะอย่างนั้นผู้นับถือพุทธศาสนาหรือผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายมันต้องปรับปรุงจิตใจของตนอย่าให้มันเป็นคนใจดำอมิหิตอย่างนั้นะจะไปอ้างว่าอย่างนน้นอย่างนี้ อย่าไปอ้างอะไรเลยอ้างว่าเกี่ยวกับประสาทบกอย่างโน้นอย่างนี้อ้างว่ามันมีคนมายั่วยุบกออืย่างนี้อย่างนั้นไปอ้างยังไงอพระพุทธเจ้าจึางได้ทรงตรัสไว้ว่านัตติโลเก อ, อนินทิโตแปลว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกอืม อันนี้เป็นธรรมของเก่ามีมาแต่ดึกดำบรรพ์พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วอย่างนี้เราจะไปล่วงเกินไม่เคารพต่อพระสิทนี้จะได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างนี้แล้วแล้วความจริงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนี่คนเกิดมาในโลกนีนะ้จะให้ได้รับแต่ความสรรเสริญเยนยออย่างเดียวไม่ได้ มันมันเป็นกฎธรรมดาอันหนึ่งเหมือนกันเละธรรมดาเมื่อเขาพอใจเขาก็สนเสริญให้เมื่อเขาไม่พอใจเขาก็นินทาว่าร้ายให้ไอธรรมดาคนมีกิเลสเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นคนบุญในธาตกิเลสประเภทนี้แล้วมันก็ต้องไม่ไปนินทาว่าร้ายคนอื่นอ่ แม่จะสรรเสริญคนอื่นนี่ก็ต้องเลือกถ้าไม่จริงจังก็ไม่สรรเสริญผู้นี้ดีจริงหรือไม่อย่างนี้นะก็จึงค่อยสรรเสริญถ้าไม่พิจารณาให้จริงเห็นเขาทําดีเล็กน้อยล้วก็ไปสรรเสริญเยินยอเข้าไปเราเป็นคนดีอ้าวภายหลังมันกลับทําชั่วเป็นคนชั่วไปก็มีอย่างนี้นะเพราะฉะนั้น นักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นตน้นเพราะองค์จะไม่สรรเสริญคนง่ายๆเลยแล้วจะไม่ตำหนิคนง่ายๆถ้าคนนั้นไม่ทำผิดจริงๆก็ไม่ตำหนิในฐานะพระองค์เป็นพระศาสดาเป็นครูเป็นผู้สั่งสอนมนุษย์อเทวดาทั้งหลายพระองค์ต้องรอบครอบก่อนจะตำหนิตีเตียนใครอย่างนี้นะ เขาต้องมีความผิดจริงจริงอันนี้เราเป็นสาวกหรือเป็นบริษัทของพระเจ้าเราก็ต้องดำเนินตามรอยบาทของพษัตาสดานั้นแหละขอให้เข้าใจอย่าเพิ่งทำใจให้วู่วามเห็นใครเขาทำไม่ดีนิดหน่อยก็ไปยกโทษติเตียนไป ว่าไม่ดีเชื่เลยทุกอย่างไปเลยอย่างนี้นะ <c oughs> เห็นเขาทำดีอะไรนิดนิ ด, นดหน่อยก็ไปยกย่อง ส, สรรเสริญเอาซะอย่างหรูหราห <c oughs> มนี่เนี่ยว่าคนใจวู้่นวามไม่มีไม่มีวิจารณญาณนะไม่มีการกล้อง น, นั่นแหละทีนี้คนเราน่ะ ทำอะไรความดีอะไรนิดหน่อยหนึ่งก็อย่าไปอยากให้คนอื่นสนรเสริญเยือนโยมันไม่ถูกต้องนั่นเนแล้วการทำชั่วอะไรลงไปแล้วก็อย่าไปปิดบังความชั่วของตัวไว้ต้องระบายออกมาสรภาพผิดออกมาต่อผู้ปกครอง อย่างนั้นเมื่อผู้ปกครองเห็นว่าทำความผิดอย่างนี้คนจะลงโทษอย่างนั้นเพิ่งก็ลงโทษไปตามความผิดนั้นนั้น อ, อย่างนี้แหละถ้าเป็นความผิดที่ไม่รุรนแรงอะไรก็อภัยไปเลยไ ม, ไม่เพียงียงว่าตักเตือนให้สำรวมระวังต่อไปนี่มันก็ไปอย่างนั้นแหละอันระเบียบของการบริหาร สำหรับผู้ที่อยู่ใต้ปกครองของเพื่อนน่ะอย่าไปลิสอนคนโน้นคนนี้อย่าไปลิตำหนิติเตียนคนโน้นคนนี้ซึ่งหน้าเขาอืเพราะว่าเขาไม่ยอมให้เราสอนเขาไม่ยอมให้เราปกครองเพราะมันมันมีฐานะเท่าเทีเทยมกันหรือยิ่งยองกว่ากักนนิดหน่อย ไอ้อย่างนี้นะเราต้องรู้ว่าเรากับเขาเป็นยังไงเราสูงกว่าเขามากเท่าไร่หรือว่าเราต่ากว่าเขายังไงนี่มันต้องพิจารณากันเออ้อถ้าว่าเราสูงกว่าเขามีคุณที่สูงมีคนเขานับถือเขารกจำเก่งมากไ อ, อ้อย่างนี้นี่ออจะ ใครเขาทําผิดทำพลาดลงไปแล้วจะว่ า, า จ, จะกล่าวอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่โกรธเพราะเขาเคารพจําเกรงอย่างนี้นะเขาก็ยอมทําตามอดังนั้นนะ่ะผู้ที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์ผู้สั่งสอนคนอื่นเนี่ยมันต้องทําตัวให้เขาเคารพนับถือสกปรอให้เข้าใจ ต้องปรับปรุงตนเองให้ดีอย่าไปทําใจให้เหลอะและเลี้ยวไหลต้องฝึกใจผู้คนให้ใจเป็นใจหนักแน่นจเจริญธรราธีภาวนาให้เป็นไปจเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักว่าอะไรควรทําควรพูดอะไรไม่ควรทําไม่ควรพูด นี่มันต้องฝึกตนให้เฉลียวฉลาดอย่างนี้เราเข้าสังคมใดๆก็ไม่มีใครรังเกียจเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็มีผู้เคารพนับถือม า, อายอมตนเป็นปลูกศิล์ลูกหานี้ก็เช่นนั้น่ะจึงเหมาะสมที่จะไปแนะนำสั่งสอนผู้อื่นให้เข้าใจ เราอยู่ด้วยกันนี่ถ้าฐานะเท่าเหมือนๆกันหรือว่ายิ่งจ่องกว่ากันนิดหน่อยอย่างนี้นี่เราต้องพูดปลอบเอาเมื่อเห็นว่าใครทำไม่ดีไม่งามก็ไปเราก็พูดปลอบเอาชักชวนให้เขาละสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นโดยปริยายโดยทางละบุลละไ ม, ไม่ใช่ว่าเราจะไปใช้อำนาจว่าเอา ทำหนี้ตีเตียนเอาอย่างรุนแรงไปเลยเหมือนอย่างครูว่าอาจารย์ที่ท่านมีอํานาจเหนือหมู่คณนะหรือคนหมู่มากเคารพนับถือยอมรับนับถื อ, ย อ, ถอยอมให้สอนยอมให้ว่าไออย่างนี้นี่มันเราจะเราจะไปทําอย่างนั้นไม่ได้นะต้องให้เข้าใจเราฉลาด ผู้ฉลาดแล้วก็ย่อมสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้ละชั่วทำดีได้เล้่ว่าเราพูดไปตามฐานะของเราเรามีฐานะอย่างไรเราก็ใช่อุบายเล่ยเดียมอันนั้นเนี่ยจูงใจคนผู้ทำไม่ดีนะให้รู้สึกสำนึกตัวได้โดยล ะ, ละมุนละม่อมมันต้องไปอย่างนั้นการอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันต้อง ต่างคนต้องมีความฉลาดเฉลียวอืมถ้าหากว่าเห็นใครทําผิดทําไม่ดีเราไม่กล้าที่จะสอนจะพูดอย่างนี้แล้วเราก็ต้องไปพูดให้ผู้บังคับบัญชานั้นฟังอืมเพื่อท่านจะได้พิจารณาตักเตือนผู้นั้นต่อไปผู้บังคับบัญชาไม่ใช่ว่าใครไปพูด อะไรให้ฟังว่าคนนั้นไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็จะเชื่อไปเลยอย่างนี้ไม่ไม่ละผู้ปกครองมันต้องรอบคอบกว่านั้นไม่ต้องหูเบาใครมาสัมผสว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเราจะต้องสอดสองมองดูสักก่อนสืบสาวเราเรื่องดูสักก่อน ว่าไม่ดีจริงเหรืออย่างนี้แหละถ้าเห็นว่าไม่ดีจริงอย่างนี้ก็จึงค่อยว่าเก่าวกันไปตักเตือนกันไปถ้าพอว่ากล่าวซึ่งหน้าก็ว่ากล่าวซึ่งหน้าไปเลยแต่ถ้าหากว่าความผิดนั้นมันไม่ปรากฏชัดเจนเท่าไหร่เราก็ตักเตือนกันไปโดยส่วนรวม ยกทมยกพินัยขึ้นมาอ้างไปโดยส่วนรวมไม่ไม่ระบุบุคคลผู้ทำผิดเอออย่างนี้อุบายวิธีบริหารหมู่คณะตามที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำบำเพ็ญมาเหตุนั้นในหลักการบริหารท่านยังว่ามี ทั้งใช้พระเดชใช้พระคุณด้วยมีทั้งปลอบนี่นะปลอบโยนแล้วก็คมคูโดยอ้างเอาหลักทมหลักวินัยหรือหลักกฎหมายมาเป็นข้อสำหรับคมคูให้พูนั้นกลัวต่อบาปโทษต่อบาป ต่ออาชญาของบ้านเมืองอย่างงี้นะนี่มันต้องให้ใช้ดุลยพินิษฐ์อย่างนี้การที่เราอยู่ด้วยกันอแม้เจอในครอบครัวตัวเรือนผู้ครองเรือนก็เหมือนกันเนะี่ยในเมื่อครอบครัวใหญ่ๆอย่างนี้ไอ้ผู้เป็นพ่อบ้านแม่เรือนนะ ก็ต้องรอบข้อจะเป็นคนทำใจน้อยไม่ได้เป็นคนวู้่นวามเอาแต่ความโมโหโท่โสเข้าว่าถือว่าลูกของเราหลานของเราพี่ของเราน้องของเราแลยอยากว่าไงก็ว่าไปตามอารมณ์ของความกโกรธของกิเลสไออย่างนี้นะมันไม่ได้เออ ม, มันให้เข้าใจมันไม่ใช่ของเราเนี่ จะไปถือว่าของเรายังไงก็เขามาเกิดมาอาศัยด้วยเฉยๆลูกหลานก็ดีนั่นนี่ญาติพี่น้องก็ดีเขาก็มาเกิดเพียงร่วมวงร่วมตระกูลกันเท่านั้นแหละแต่และกรรมดีกรรมชั่วของใครของมันที่ทำมาห่างมาตกแต่งให้อย่างนั้นเราต้องพิจารณาดูต้นเหตุ ของชีวิตเนี่มันรู้วะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะไปไว้วางใจว่าลูกของเราหลานของเราผัวเราเมียเราพี่เราน้องเราเราอยากว่าไงก็ว่าเขาจะไม่เสียใจเพราะถือว่าเกิดเป็นเกิดร่วมวงเดียวกันอะไรทำอนองนี้ไม่ได้นะขอเตือนไว้ก่อน เราต้องพูดดีเสมอไปทำดีเสมอไปแหละอย่างนั้นเขาจะทำชั่วก็เรื่องของเขาแต่ว่าเราพูดดีทำดีไปเขาจะเอาตามก็ตามไม่เอาก็ช่างเราทำดีให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างไปเราจะไม่แสดงความโกรธความเหี้ยมโหดอะไรต่ออะไรให้คนทั้งหลายเขาเห็นเลยนี่แสดงความเป็นผู้ ใ้ประกอบไปด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามาโนกรรมคือว่าแสดงออกทางกายยกรรมประกอบไปด้วยเมตตาเนี่ยหมายความว่าเราแสดงกิริยากายไม่อยากคายต่อทั้งคนดีทั้งคนชัว่วอะไรก็ตามเนอืมเราแสดงกิริยากายนั้นเป็นปกติไป แม้การกิริยาวาจาคำพูดคำจาก็เหมือนกันก็แสดงวาจากล่าววาจานั้นอ่อนหวานอ่อนโยนไปแม้คนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะดุร้ายยังไงมันจะแสดงความโหมดร้ายอะไรออกมาเราก็ทำดีพูดดีต่อไปอย่างนี้ เมื่อเมื่อนางเขาเขาเห็นอำนาจแห่งความดีของเราเขาก็ดีกับเราเขาก็เคารพรับถือถ้าเป็นลูกเป็นเต้าก็ดีลูกเต้าผู้ใดมีนิสัยไม่ดีใจมันเป็นคนโทสะจริตอย่างนี้นะผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องพยายามพูดปลอบจิตปลอบใจพูดอ่อนโยนเอาต่อ ลูกผู้นั้นนะ่ะเมื่อเห็นพ่อแม่ทําดีพูดดีต่อหรือว่านี่พี่น้องพูดดีทําดีต่ออย่างนี้ใจมันก็อ่อนลง嘛นี่ไม่ไม่แสดงความดุร้ายอย่างนั้น <c oughs> เหมือนแต่ก่อนแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่หรือพี่น้องนะไปแสดงความดุร้ายใส่เขาเอาแต่อํานาจคําว่าอย่างนี้แนตะ่มันยิ่งไปเพิ่มโทสะ พยาบาทให้เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นนะให้เข้าใจอันมันจะให้มันยอมลงไปราบหมอบราบคาบหญ้าลงไปไม่มีหรอกมนุษย์โลกอันนี้นะอย่าว่าแต่คนอื่นเลยแม้แต่คนลูกเกิดในท้องในไส้ของตัวเองมันก็ยังไม่ยอมมนะถ้าหากว่าให้ปฏิบัติต่อเขาโดยความไม่เป็นธรรมนะไม่ยอมอยริงๆ น, นะมันเป็นอย่างนั้น ถ้าเราปฏิบัติต่อเขาโดยความเป็นธรรมอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นน่ะ อ, อลูกหลานญาติมิตรอะไรเขาก็เคารพรับถือบูชาทีเดียวแหละเวียนั้นยิ่งคนเท่าคนแก่อย่างนี้ลูกหลานเขาก็เทิดทูนไว้เหนือเสียนทีเดียวแหละถ้าเป็นคนเท่าคนแก่ตั้งอยู่ในศิลปในธรรมเป็นคนใจดีมีความอดทนต่อคํา สรรเสริญนินทาว่าร้ายทางๆหมู่นี้นะนี่แหละเมื่อเราเป็นคนเท่าคนแก่มันต้องมีคุณธรรมอยู่ในใจอย่างนี้แม่คนหนุ่มก็เหมือนกันนะให้ธรรมะนี่ไปอยู่ในจิตใจของผู้ใดแล้วจะเป็นคนหนุ่มหรือคนแก่ปานกลางอะไรเหมือนก็เป็นคนดีทั้งนั้นแหละกลายเป็นคนดีไปเลยเป็นผู้รักเป็นผู้ใหญ่เป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ นี่เป็นอย่างนี้ในเรื่องคุณธรรมนี่นะดังนั้นแหละจึงสมควรบําเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจเราเป็นชาวพุทธเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแท้ๆแล้วอย่างนี้ทนะําไหมอ่ะยิ่งไปทอดทุระเสียไม่น้อมเอาธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปสอนจิตใจตัวเองอเช่นอย่างว่าน้อมเข้าไปว่า นี่พระพุทธเจ้าสอนให้คนเรานะเจริญเมตตาปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้านะพระองค์ไม่ได้สอนให้ว่าให้รักคนนั้นคนนั้นดีคนให้รักคนนั้นคนชั่วคนใดชั่วให้เกลียดชังมันออย่างนี้พระองค์ไม่ได้สอนอย่างนั้นเลยพระองค์สอนให้ทำจิตให้กว้างขวางเผือแพร่ ป่ารถนาให้เป็นสุขทั้งคนดีทั้งคนชั่วนั่นแหละนี่นะตั้งคิดไว้อย่างนี้เมื่อเราป่ารถนาให้เป็นสุขทั้งคนดีคนชั่วอย่างนี้เอาลองลองสังเกตดูผูเลยเจริญเมตตาอย่างนี้แล้วนะแม้คนชั่วนั้นก็พลอยมานับถือซ้ำํำนะเขามีนิสัยชั่วจริงแต่เขา เขานับถือคนที่มีเมตตาจิตคนที่ใจดีใจเย็นเขาไม่รังเกียจรังแกอย่างนี้นะผู้ใดประพฤติบําเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้แล้วสังเกตดูจะรู้เองเห็นเองได้เลยนะรู้เองเห็นเองแหละเช่นอย่างว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้อดกั้นทนทานต่อคำด่าว่าเสียสี อดกั้นทนทานต่อการงานที่คำพ้นทนแดดก็ไม่ย่อท้ออย่างนี้นะอดทนต่อกำวิบาศน์ในเมื่อกรรมเวรที่ทนได้ลุ่มหลงทำมาตะก่อนมันติดตามมาสนองเอาให้เป็นทุกข์ทนทรมานจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายโรคภัยแค้เจ็บเบียดเบียนอย่างนี้ก็อดเอาทนเอา บางลายไม่อดไม่ทนเนี่ยฆ่าตัวตายหรือว่าฆ่าตัวตายไปแล้วจะพ้นทุกเหล่านี้แท้ที่จริงนี่ยไม่ได้พ้นหรอกฆ่าตัวตายคำเวีนมันยิ่งหนักเข้าไปอีกเกิดไปชาติได้กรรมนั้นได้ช่องในโอกาสมันก็บันดานให้ฆ่าตัวตายอีกตำราท่านกล่าวไว้ว่าถึงห้าร้อยชาตินั่นมันยึ่งคอยหมดอายุ ข, ของ เวทที่ฆ่าตัวตายอ่ะอย่างนี้แหละดังนั้นนะ่ะผู้ที่บำเพ็ญขันติธรรมนะอดกั้นทนทานต่อคำด่าว่าเสียสีผู้เอื่นอย่างนี้นะก็เป็นที่รักของมนุษย์เทวดาทั้งหลายพระพุทธเจ้าสนรเสริญขันติธรรมอย่างนี้นะกลมกันข้ามแล้ววันนี้ถ้าผู้ใด ไม่อดไม่ทนต่อคําตําหนิติเตียนจากคนอืน่นอย่างนี้ก็ไปตอบโต้กันไปอย่างนี้อเขาตําหนิตีเตียนว่าอะไรนิดนิดหน่อยก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟอย่างนี้มันก็ไม่มีใครคนดีทั้งหลายเขาก็ไม่นับถือไม่ยกย่องเลยนั่นแหละก็ย่ยอมเป็นที่รังเกียจของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคนไม่มีความอดความทนไม่มีขันติธรรม นี่มันเป็นอย่างงี้นะให้คิดดูให้ดีดังนั้นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะเมื่อเราพิจารณาโดยเหตุผลแล้วนะมันน่าปฏิบัติตามจริงๆน ะ, ะเมื่อผู้ใดปฏิบัติตามจริงๆต้องต้องปฏิบัติตามแล้วก็ให้มันต้องปฏิบัติเรื่อยๆไปนะไม่ใช่ว่าอดทนนิดหน่อยแล้วก็จะ ให้มันได้ผลทันออกทันใจไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะก็เราต้องปฏิบัติไปต้องอดต้องทนไปต้องเจริญเมตตาให้มั่งมาเข้าไปเอยไปอย่างนี้นะเมื่อคุณธรรมเหล่านี้มันแก่กล้าขึ้นแล้วอย่างนี้มันนักอํานวยผลในภายหลังมันรู้เองเห็นเองขึ้ น, นมานะก ว, ว่านี้นะแลอวผลแเง่งคุณธรรมที่เราบําเพ็ญมานะ่ยมันให้ผลอย่างนี้อย่างนี้ มันรู้เองเนาะันนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนะี่ยอย่าพากันประมาทอย่าไปเอาตั้งแต่อย่าไปถืออัตตาที่ประไตถือตนเป็นใหญ่โดยส่วนเดียวไม่ฟังความคิดความเห็นของผู้อื่นเสียเลยอย่างนี้เนะี่ยผู้เช่นนั้นเนะี่ยมันจะเดือดร้อนในภายหลังขาด นิดขาดญาติขาดเพื่อนขาดพุงไปนะแล้วถ้าเอาแต่ความคิดความเห็นความรู้สึกของตัวเองฝ่ายเดียวโดยสาคัญว่าตนเห็นอย่างนั้นก็ถูกต้องตนเห็นอย่างนี้ก็ถูกต้องไม่มีผิดอย่างนี้นะแต่ในสายตาของนักปราชญ์ทั้งหลายท่านเห็นว่ามันผิดเช่นนี้นั่นแหละ ตอนนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ถือธรรมมาที่ปไตยถือธรรมเป็นใหญ่ถือเอาความถูกต้องเอาเหตุผลเป็นประมาณเมื่อเหตุผลมันดียังไงเราก็ปฏิบัติไปตามเหตุผลนั้นเมื่อเมื่อพิจารณาเห็นแล้วว่าเหตุผลนี้มันเพียงพออย่างนี้นะก็ปฏิบัติตามเหตุผลนั้นไปมันก็ได้ผลดีอ่า คนไม่ถือเหตุถือผลเอาแต่ความเห็นความชอบใจของตนเป็นประมาณนั้นไม่ดีแน่แน่ขอให้เข้าใจนี่แหละการภาวนาเมื่อเราทำใจสงบระ ง, งับลงไปแล้วมันถึงเกิดปัญญามันถึงรู้อะไรเป็นธรรมอะไรไม่เป็นธรรมอะไรควรอะไรไม่ควรมันรู้มันเห็นขึ้นมา แล้วผู้ผู้นั้นก็จะดำเนินชีวิตไปตามทางมัชฌิ ม, มาปฏิปทาทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนนั่นแล้วก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญในธรมธรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังแสดงมา